พระบัญญัติหนึ่งร้อยเก้าก็ภิกษุใดวางไว้หรือใช้ให้วางไว้ซึ่งเสนาสนะคือเตียงตังฟูกหรือเก้าอี้ของสงในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปไม่เก็บหรือไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนะนั้นหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุหลายรูปจบ